ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเจดีพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่ชีแก้วเสียงลัมถ้าจะว่าไปแล้วคนทั้งหลายเขาก็ว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะการสร้างเจดีในครั้งนี้เป็นการสร้างออกมาทางด้านจิตใจจริงๆตั้งแต่คุณแม่มรณภาพมีความตั้งใจอยู่เสมอ ว่าพร้อมเมื่ อ, อไหร่ก็จะสร้าง JD ดีขึ้นมาแต่บัดนี้เราคอยมาเป็นเวลาสิบกว่าปีก็พึงประสบความสำเร็จวันนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันหันหน้าข้หากันเพื่อจะสร้าง JD ดีตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมหมดทุกอย่าง สรุปแล้วก็คือการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ถอดหัวใจออกมาลงขันกันเลยสร้างด้วยจิตด้วยใจจริงๆเพราะสิ่งอื่นที่เราส่ะแสวงหาทรัพย์เราได้ส่ะแสวงหาทางอื่นมาแล้วแต่อันนี้เราสร้างเพื่อหัวใจเราสร้างเพื่อบุญกุศลเราสร้างเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะนั้น การสร้างเจดีย์ในครั้งนี้สำหรับอาตมาภาพเองมีความเต็มใจมีความยินดีอย่างยิ่งในองค์หนึ่งที่ได้เทิดทูนบูชาคุณของคุณแม่ที่เป็นที่รักครบของหลวงพ่อท่านหนึ่งพวกเราทุกทุกท่าน คิดว่างานชิ้นนี้นเจดีของคุณแม่เคิดว่าจะไม่มีปัญหาเพื่อยกคุณแม่เป็นตัวอย่างสาวิกาในยุคปัจจุบันแบบนี้พวกเราจะได้สร้างเจดีย์เพื่อประกาศเกียรติคุณฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายอุบาสิกาในครั้งนี้ กอุบาสิกาในครั้งพระพุทธเจ้าที่เป็นมหาอุบาสิกาหรือว่าเป็นภิกษุณีที่เป็นประวัติในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีมากมายจนมาถึงยุคปัจจุบันคุณแม่หมดยุคสมัยเป็นภิกษุณีก็ได้มาเป็นชีรักษาอุโบสถศิลก็เหมือนกับเป็นการอุโบสถ เทียบเท่าเกือบจะเทียบเท่าสมมนเนนเป็นอภรรมจลิยาท่านก็ได้รู้ได้เห็นอย่างที่พวกเราได้ทราบมาแต่บัดนี้พวกเราได้เพื่อจะสร้างเจดีเทิดทูนบูชาท่านว่าต่อไปภายภาคหน้าผู้หญิงโยมผู้หญิงใดก็าตามถ้าว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างคุณแม่มรกรดทิพานก็ยังคอยพวกท่านอยู่ ไม่มีแต่เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นฝ่ายอุบาสิกาถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้กระดูกกลายเป็นพระธาตุอย่างที่คุณแม่แก้วที่พวกเราได้รับรู้รับทราบที่ได้รู้ได้เห็นาท น, นั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่พวกเราได้ ร่วมกันสร้างเจดีแล้วก็จะได้เซ็นสัญญาเป็นสกีพยานและก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านร่วมจิตร่วมใจกันด้วยน้ำใจในการก่อสร้างในครั้งนี้เพราะพวกเราสร้างเจดีเราถอดหัวใจออกมาลงขันกันเพื่อสร้างเจดีของคุณแม่ ด้วยศรัทธาด้วยคคามด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความบูชาอย่างยิ่งเพื่อจะประกาศเกียรติคุณของคุณแม่ให้อยู่นานเท่านานอธิมาภาพคิดว่างานของคุณแม่ในครั้งนี้คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นด้วยดีด้วยบุญวัลมีของคุณแม่ที่ สั่งสมมาด้วยดีแล้วคงจะปกคลุมพวกเราให้ทำการทำงานสำเร็จรุงร่วงไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคด้วยบุญบารมีของคุณแม่ที่ผ่านานมาก็เป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็พูดจบเพียงเท่านี้ต่อไปก็คงจะเซ็นสัญญา